ยังไม่หกทุ่มเลยไปนอนนิบเดียวก็อิ่มแล้วจะไปนอนอะไรมากขอโอกาสครูบาอาจารย์นั่งฟังพอเป็นหมู่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 พกวโตอรหโตสมมาสมุทัสสันะโมตัสสะวโตอรหโตสมมาสมุทัสสนะโมตัสสะวโตอรหโตสมมาสมุทสัสสัปชาจปูจนียานางเอตัมมังคลมุตตมันติ <c oughs>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 มาจากเนี่ยนัวแต่เริ่มกระดุกกระดิกหาสิ่งหาของหาอะไร อ, อะไรมาร่วมงานท่านนั่นบุญญากิริยาจิตใจดูดื่มกับบุญมาตลอดเดินทางมากระดอนถึงตลอดอ ม, มาตั้งครงทานมาบริจาคทาน มาเสียสลักกำลังสติกำลังปัญญาเรียวแรงเป็นอุญยักิริยาท้งนนรูบาอาจารย์มาเป็นจำนวนมากมาพร้อมกันร่วมกันทานนบนัดสวดมนต์เจริญพระพุทธมนต์ด้วยเกิดเป็นสริริเป็นมงคลเป็นอุญยะกิริยา ทั้งหลายจงปวงเข้าสู่ห้อยใจของเราทั้งนั้นห้วยใจของเราเป็นผาชนะรองรับบุญรับไปมากเท่าไรรับไปน้อยเท่าไรรับไปทุกระยะทุกวันทุกเวลาทุกนาทีได้ยิ่งดีเอาจนเต็มตึ ง, ตงเหมือนผ่อต้าอยานคีรวัตนนั่นแหละโดยเฉพาะ อ, อย่างยิ่ง พวกเราก็ฟังธรรมะไปแล้วสามครั้งท่นานย์ใหม่ท่านก็เมตตาไปแล้วชั่วโมงสิบนาทีท่านพระอาจารย์สุธรรมสี่สิบนาทีที่ลงไปเมื่อกี้กับท่านอาจารย์สมหมายห้าสิบนาทีนั่งฟังตรงนี้ตลอดนะกำหนดดูเวลา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 ขึ้นชื่อว่าบุญแล้วนำความสุขมาให้วันนี้พวกเราทั้งหลายสิทธิ์สยานุสิทธิ์ทั้งใกล้ทั้งไกลทั้งบันพชิตทั้งคราวามาร่วมบุญมุธิตาสการะของครูบาอาจารย์ด้วยแรงกัตัญญูกัตะเวทีท่าที่เราเห็นมา ไม่มีใครที่ขยันสอนลูกศิษย์เท่ากับพระอาจารย์กีรวัตเราเดินด้วยกันตลอดไปรุ่นไปนี้ด้วยกันตลอดเอาอยู่นั้นแหะสัอยู่นั้นแหละสับเพื่อที่จะยยเป็นให้เป็นรูปเป็นร่างเป็นตัวเป็นตนเป็นงานเป็นการขึ้นมาทำให้หลายๆคนก็กินกลับใจ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 ทุกคนปรารถนาท่านตั้งอกตั้งใจทำมาสินระย์เป็นเวลานานแต่เวลาท่านมาพูดให้เราฟังแป๊บเดียวพวกเรารูษษ้สึกเกรียมยิ้มย่มยองในผลงานหล่าน้ำที่ท่านได้ทำมีภูมิอัดภูมิรมภายในจิตใจของท่านทำให้พวกเราอยากได้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 แล้วมากน้อยก็ไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นผลรายได้ที่เพึงเกิดขึ้นในหัวใจของเราจึงไม่เท่ากันเราดูผลที่เกิดขึ้นจากการที่เราจัดเราทำการตั้งใจให้ทานมากน้อยเท่าไรตั้งใจรักษาศีลเสียสละมากเท่าไรการตั้งใจภาวนา ถ้าเราอยู่โดยลำพั ง, งเราได้ครึ่งชั่วโมงไหมได้หนึ่งชั่วโมงไหมแต่เห็นพอจะได้พ้นอยู่หน่อยก็ ค, คือนั่งภาวนากันมากๆเพราะต้องระวังถ้าไม่ระวังเดี๋ยวจะได้รับความอับอายหายทองเพราะอะไรเพราะเคลิมหลับไปบ้างระวังไม่พอบ้าง จิตไม่อยู่บ้างเลยต้องได้สารวงได้ประมัดระวังคนที่มีความชำนาญแล้วนั่งกบหมูกก็ได้รับความสะดวกสบายนั่งคนเดียวยิ่งสะดวกสบายแต่ถ้านั่งกบหมูพอเป็นพอไปด้วยความระอาย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 เป็นตะปัดทำแผดเผาอยู่ในหัวใจของเราตลอดไประบมอกเป็นอบไปหลงกิเลสในหัวใจมันเร่าร้อนตลอดถ้าทำได้ถึงขนาดนั้นแล้วในใจของเราก็จะสุขก็จะงอมได้สุขงอมโดยแรงระบบด้วยแรงอบโดยแรงรม แต่ถ้าหากเราทำไม่เต็มที่ทำขาดช่วงขาดทำครึ่นคึ้นกลางกลางมันก็จะได้ผลอย่างนั้นเองทำมานุธรรมะปฏิปฏิผลทั้งหลายย่อมเกิดขึ้นตามเหตุที่เราประกอบ <c oughs> <c oughs> ท่านพระอาจารย์จิรวัตรเป็นคติตัวอย่างเยี่ยมอย่างหนึ่ง ที่เราควรเอาเป็นคติเป็นตัวอย่างท่านเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่ปีก่อนนั้นเราก็เคยพูดเองฟังเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่เราดูสิเราดูแล้วเราปลื้มปีติยินดีไปกับท่านตลอดทุกครั้งที่เราใจมาใสตรงนี้ท่านเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่ท่านดูพ่อดูแม่ให้ที่อยู่ เข้ากับให้ทุกสิ่งทุกอย่างเอา่อพ่อแม่มาอยู่ัดานแต่ตอนนี้ตอนนี้ได้ยินว่าแม่ไปอยู่กรุกเทพกลับไายอยางขมรู้ <c oughs> ไม่ได้ถามเราดูเรื่องเดียวแค่นี้ถ้าเราพูดถึงบุญถึงอุศนถึงอาณาจักรโอ้แค่นี้เราก็กินไม่หมดแล้ว พูดถึงเราเราท่านท่านถ้าเราทำแค่นี้เอาปกเอาใจใส่เลี้ยงดูพ่อแม่แค่นี้ก็รับประทานไม่หมดแล้วบุญกุศลให้หัวใจรับประทานไม่หมดแล้วพ่อแม่แม่เป็นแดนเกิดพ่อแม่เป็นแดนปลูก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 ถ้าจะพูดถึงความเสื่อมของสังขารก็เข้าสู่ความเสื่อมแล้วสังขารห0สปีเป็นต้นไปก็จะเริ่มเสื่อมแล้วเริ่มเสื่อมเริ่มบำรุงเริ่มอ่อนเริ่มอ่อนแรงตาเอยความจำเลยกำลังเรี่ยวแรงเลย ก็จะเร่มป่อนแรงต้นชีวิตต้นนี้มาบรรจุครบรอบเป็นอนุดมมบครวันครนุ่นี้พวกเราดูอันนี้เป็นคติตัวอย่างเอามาถือเอามาประพฤติตามเอามาปฏิบัติตามอุปถรมบำรุงพ่อแม่พ่อแม่ส่วนหนึ่ง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 พระเจ้ทาท่านจึงทรงแสดงต้นของสังขารคืออวิชชาอาวิชชาเป็นปัจจัยให้เกิดสังขารอันนี้เราเข้าหลักเราทิ้งหลักไม่ได้หลักอันนี้เป็นหลักที่พระพุทธเจ้าท่านทรงทำพึรํำพันพิจารณาเมื่อสมัยพระองค์เสวยพิมุติสุขจูที่บริเวณต้นโพธิ์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 เราจรึงถูกพัฒนาไปด้วยพบด้วยชาติทั้งหลายทั้งปวงพบสูงพบต่ำพบดีพบหยาพบละเอียดพัฒนาเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยไม่รู้จักจบไม่รู้จักสิน้นเพราะมันมีสิ่งปนเปื้อนปนมาด้วยเปื้อนมาด้วยเป็นกองสังขารไม่เคยหยุดนิ่งอยู่กับที่ไม่เคยหยุดนิ่งอยู่กับที่เราดูดิพบชาติของเราเคยหยุดนิ่งอยู่กับที่ไหม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 อาการห้าปัญจโวการเนี่ยนี่ก็เป็นกําเนิดกําเนิดอย่างหนึ่ ง, ก ำ, ง, ง ก, ก, ก, ำ ก, กำเนิดอีกอย่างหนึ่งก็คือเอกโวการเนี่ยมีแต่รูปไม่มีนามกําเนิดอีกอย่างหนึ่งมีแต่นามไม่มีรูปเรียกว่าจตุโวการทั้งเอ ก, กโวการทั้งจตุโวการอันนั้นเป็นกําเนิดของผู้ที่ตั้งใจบําเพ็ญความสงบ แต่ก็พิจารณาเห็นโทษไปในแง่ที่ไม่ใช่หลักอันนี้อย่างทุกขังอนัตตาไปเกิดเป็นพรหมที่มีแต่รูปไม่มีนามจะเรียกว่าเอกโอการไปเกิดเป็นพรหมมีแต่นามไม่มีรูปแล้วก็มาเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยเป็นปัญจโภการมีรูป ซึ่งเป็นกองสังขารที่เป็นสวนรูปมีเวทนาสัญญาสังขารบิน ญ, ญาซึ่งเป็นกองนามนามทั้งสี่นี้เป็นอาการของผู้รู้เป็นอาการของผู้รู้โดยเหตุที่เรามีอวิชชาติดชนะหลังมาทำให้พพชาติของเราที่ขึ้นสูงขึ้นต่ำสับเปลี่ยนกันไปไม่จบไม่สิ้น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 เป็นกระแสของสังขารที่จะต้องเป็นไปอย่างนั้นมีเราเห็นมีสังขารใดบ้างหยุดนิ่งอยู่กับที่ไม่เคยนิ่งอยู่กับที่เปลี่ยนไปเรื่อยเปลี่ยนไปเรื่อยเปลี่ยนเรื่อยเราดูเห็นง่ายๆเราดูเห็นชีวิตในท้องแม่นั่นแหละถ้าพูดถึงกําเนิดของคนเนี่ยธาตุพ่อธาตุแม่ประกอบกันในท้องแม่ก็เป็นน้าําใสๆเป็นหยดเล็กๆ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 ไม่เหมือนกระแสน้ํากระแสน้นํานี่ถูกพัดไหลลงที่ต่ําอย่างเดียวแต่เราสามารถผลักดันขึ้นที่สูงได้เช่นอย่างเร า, เาสูบน้ําขึ้นที่สูงเห็นไหมสูบไปอยู่นนดูดบนตึกเป็นร้อยชั้นก็นยังสูบขึ้นไปได้นี่คือกระแสน้ําถูกดูดขึ้นโดยอํานาจของสูบแต่กระแสของอนิจจังทุกขังนั้น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 นี่คือกระแสของขอ ง, ของธรรมชาติผู้ใดฟังธรรมะของพระพุทธเจ้าจนจิตใจสามารถรับเอากระแสรตรงนี้ได้ผู้นั้นเข้าถึงกระแสธรรมเหมือนอย่างพระัญญาโกธรรัญญาซึ่งเป็นพระสงฆ์เป็นพระอริยสงฆ์องคแรกคนแรกท่านฟังธรรมธรรมยักกับปวัตนาสูตรที่เราฟังกุบายาารเจริญ พระพุทธมนต์ไปเมื่อตอนค่ำเนี่เสร็จแล้วท่านได้เข้าถึงกระแสธรรมได้ดวงตาเห็นธรรมถ้าได้ดวงตาเห็นธรรมด้วยบดอะไรยังกินจิตสมุทัยธรร ม, มสัปปัญจมิโรธธรร ม, มสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาตั้งอยู่ไม่ได้เป็นธรรมดาเปลี่ยนไปเป็นธรรมดาก็คือดับไปเป็นธรรมดา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 อาสวัคคัยญาณอาสวัคคยญาณยาของพระองค์พระองค์ตั้งใจบำเพ็ญ น, นั้นไม่เหมือนพวกเราตั้งใจบำเพ็ญอยู่ในเดี๋ยวนี้ขณะนี้พระองค์ตั้งใจบำเพ็ญด้วยเรี่ยวแรงของพระองค์วิธีการใดๆก็ตามพระองค์ไปทดลองทดสอบหมดทั้งรู ป, ปรสมตตาบิพระองค์ก็ได้อารู ป, ปรสมาบัติพระองค์ก็ได้ไปเรียนอยู่กับ 阿拉ระดาบทุบทกกระดาบทจบภายในระยะเวลาที่สั้นอาจารย์บอกว่าเธอเรียนเอาความรู้เราไปหมดแล้วจบแล้วความรู้ที่เรามีเธอเรียนจบหมดแล้วแต่พระเจ้าพระองค์ย้อนไปที่พระจิตของพระองค์ยังมีกองทุกข์เต็มแร่อยู่ในหัวใจในพระไถ่ของพระองค์โอ้ไม่ใช่ไม่ใช่มีความรู้มีความสงบละเอียดถึงขนาดนั้นก็ตาม แต่ไม่สามารถที่จะแทงทะลุไปได้แทงทะลุไปได้ไม่มีบัญญาิที่จิพิจารณาเห็นอันนี้จ่งทุกขังอนัตตาปล่อยยังไม่ได้ยังมีอัตตาตัวตนเต็มแปร่อยู่นั้นเนี่ความสุขในรูปปะสมาบัตในอารมูปปะสมาบัตอยากให้มีผู้เสพสุขอยากให้มีผู้สวยสุขถ้าไม่มีผู้สวยสุขแล้วจะมีความสุขได้อย่างไร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 ออกสะดกสบายสบายลงไม่มีทางออกออกทั้งหูนี่คือทรมานทรมานไปทรมานไปก็ไม่มีช่องทางที่จะบรรลุไปได้พูดถึงเสวยพระคริยานี่ก็เสวยตั้งแต่อิ่มหนึ่งอิ่มธรรมดาธรรมดาลดลงลดลงลดลงลดลงลดลงลดลงดลงชิลล์คำชิลล์คำชิลล์คำจนเหลือหนึ่งเม็ดหนึ่งเมล็ดข้าว เราคิดดูที่พระองค์ทำหมดก็ยังไม่พบพระฉะั้พระองค์จึงตั้งใจจะบงเพ็ญความเพียรทางด้านทางด้านจิตใจเห็นไหมไม่คือความเป็นเดือนของพระองค์ตั้งท่งตั้งตั้งใจบงเพ็ญวันนั้นเป็นวันที่นางวิษสุชาดาถวายข้าวมัทุพายาพระองค์ปั้นปั้นปันปันได้สี่สิบก้าก้อน ก็ถือไปเสวยที่ฝั่งแม่น้ำเนรัญชราเสวกันหมดเสร็จแล้วก็ลอยถาดอธิษฐานตั้งสัจจาทิฏฐานคำว่าธิษฐานนี่อธิษฐานหมายความว่าปรารถนาสัจจ์คือเอาสัจจ์เป็นเนื้อผันว่า ง, งั้นแบบถ้ามีบุญบา ร, รมีที่จะได้บรรลุธรรมขอให้ถาดใบนี้ลอยถวนกระแสนะ้ำ ถาดก็ลอยทวนกระแสน้ำได้แปลกไหมที่คือการตั้งสัญยาที่ฐานเสี่ยงบุญบา ร, รมีที่บำเพ็ญมาถ้าเต็มแล้วพร้อมแล้วขอให้มีอานุภาพลอยทวนกระแสน้ำได้ถาดลอยทวนกระแสน้ำใช่ไหมที่เราได้ยินด้วยฟังนั่นคือตอนเช้าจนเวลาตอนข้ามเราปรักมาที่จตโพรับญาตามาปูตา่างบรรลัง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 ตั้งสัจจาที่ฐานปุกบปับขึ้นมาทันทีตั้งสัจจาที่ฐานก็คือตั้งสัจจ์แลด้วยกับความต้องการที่ว่าจะได้จะได้จะไ ด, ะได้หรือจะไม่ได้ตราบใดก็ตามทหากยังไม่ได้บรรลุเป็นบรรลุธรรมรู้ทั่วถึงธรรมอักธรรมเป็นพระสัมมาสัมโพธิญาจะไม่ยอมลุกขึ้นเด็ดขาด เนื้อเลือดเลื้อแห้งไปเหลือแต่หนังหุ่งกระดูกก็ตามจะไม่ยอมลุกขึ้นเด็ดขานี่คือโปรง่งตั้งสัจจญาทิฐานสัจญาทิธานนี้ควรจะมาเป็นคติตัวอย่างสำหรับพวกเราที่เราทําอะไรแล้วให้เรามีการตั้งสัจญาทิฐานเพราะการตั้งสัจญาทิฐานนี้มันจะเกิดเป็นเครื่องมัดมันเป็นกรอบที่เราขีดวางจํากัดให้กับจิตของเรา ในขณะที่เราตั้งเป็นกรอบขีดวงจำกัดให้กับเรามันเหมือนกับเป็นการข่มกิเลสไปในขณะนั้นในขณะเดียวกันตั้งสัจ ญ, ญาทิฏฐานจากนั้นพระองค์ก็ตั้งใจงเปียนท่านพูดถึงว่าในปฐมปฐมยามพระองค์ไบรลุปุเพนิวาสารุสติญาเห็นพบชาติของพระองค์ย้อนระลึกย้อนหลังไปไม่มีจบไม่มีชีจุ เป็นกับกับเป็นวัตกับเป็นวิวัตตะกับไม่รู้จักจบเกิดเป็นโน่นเกิดเป็นนี้เกิดเป็นนี้เกิดเปนนั่นความยาวไกลในวัฏสงสารไม่รู้มันถูกพัฒนามาตั้งแต่ตอนไหนเมื่อไหร่มากน้อยเท่าไหร่ไม่รู้จักแต่ระลึกย้อหนหลังไปไม่มีจุดจบไม่มีชื่อจบนี่ในปฐมยามนะพระองค์ได้ญาณปุกเพนิวาสานุสติญาณคำว่าญาณก็คือความรู้อย่างหนึ่งเกิดขึ้นในพระชัยของพระองค์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 แต่อาศัยว่าพระจิตของพระองค์นัเต็มแปรกไปด้วยศีลด้วยสมาธิด้วยปัญญาเต็มแปรกเป็นพลังอยู่ในหัวใจหมุนเจ อ, อยู่นั้นน่ะจนกิเลสตัณหาอาสวะเหล่านั้นอะโผล่ออกมาไม่ได้อะไรโผล่ขึ้นมาก็หายอะไรโผล่ขึ้นมาก็ขาดอะไรโผล่ขึ้นมาก็ขาดอะไรโผล่ขึ้นมาก็ขาดนี่คือตปะปัดธรรมนี่ตะัดธรรม สัพทธรรมแผลกเผาภายในคืนนั้นเพราะฉะนันน้นในยามสุดท้ายหองราตรีวันนั้นทําให้พระองค์ได้บรรลุอาสวัคยาญาติกิเลสตัณหาหรือความทุกข์ทั้งหลายทั้งปวงที่กองอยู่ในหัวใจของพระองค์ น, นเงือ่แห้งหายไปเงือ่แห้งหายไปจากพระไทยของพระองค์เมื่อก่อนนั้นดูไปยังเห็นกองอยู่เต็มไปหมด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 ที่พระองค์มาเทศให้ปัญจวัคคีย์ฟังนั่นแหละถ้าหากสิ่งเหล่านั้นยังไม่เกิดขึ้นพระองค์ไม่กล้ามาบอกปัญจวัคคีย์ว่าพระองค์ได้ตรัสรู้ด้วยเหตุที่เกิดขึ้นด้วยญาณด้วยปัญญาด้วยแสงสวา่างต่างๆเหล่านั้นะพระองค์จึงมาปฏิยานตนว่าพระองค์เป็นสัมมาสัมพุธธทธะทาให้พระองค์พอใจละพอใจละจึงเป็นเหตุให้พระองค์ได้พูดเป็นปฐมภาษิด เนประชาที่สร้ า, รางชาติฐานสันทาวิสรางมันมีคือสร้างที่ท่านพูดถึงว่าชาติทั้งหลายทั้งปวงเป็นอเนกอั น, นันต์ที่พระองค์เกิดมาพบไหนาชาติไหนก็าตามทําให้มีคนสร้างพบสร้างชาติให้พระองค์ต้องไปเกิดที่นั่นต้องไปเกิดที่นี่เหมือนกับเห็นนายช่างผู้สร้างเรือให้พระองค์ต้องมาเกิดต้องมาตายต้องมาเกิดต้องมาตายตอนนี้เห็นหน้าเห็นตาหมดแล้วได้ทําลาย บ้านหลังนั้นแล้วได้ทําลายเรือนยอดได้ทําลายกรอดได้รื้อนั้นออกได้รื้อนี่ออกรื้อหมดแล้วอวิชาทั้งหลายไม่สามารถจะสร้างบ้านสร้างเรือนให้พระองค์อีกต่อไปอีกไม่ได้อีกแล้วตะะธรรมของพระองค์เนี่ยแพร่เผาเหงือแห้งไปหมดจากขันธสันดานนี่คือพระองค์ได้กับสรุษ ธ, ธรรมได้บรรลุธรรมอาสวัคขยะหยาดขยะ ก, ก็คือสิ้นไปอาสวัทั้งหลายเนะี่ยเสื่อมไปสิ้นไป เมื่อก่อนนะมันเคยถูกหมักถูกดองอยู่ในกามาพบรูปประพบอรูปประพบไม่รู้จักจบไม่รู้จกสิน้นอันนี้คือหน้าที่ของพระพุทธเจ้าท่านออกมาบำเพ็ญจนสามารถแยกพระจิตที่บริสุทธิ์ของพระองค์เหลือเพียงหนึ่งเดียวเหลือจิตที่บริสุทธิ์จนล้วนเพียงหนึ่งเดียวสิ่งที่เป็นหนึ่งเดียวท่านไม่เรียกว่าสังขารดังกล่าวแล้วนั่นแหละ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 มีพระสงฆ์บอกเป็นประจักษ์พยานวันที่สองก็วัดปัตัตยักษ์มหานามัจจิโดยลำดับองละวันองละวันองละวันองละวันได้ดงตาเห็นธรรมพอครบห้าวันวันที่6พระองค์ทรงแสดงอนัตตะลักคณาสูตรอนัตตะลักคณาสูตรมันเป็นธรรมรวบยอดชั้นละเอียด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 เพราะร่างกายเราเจ็บเราปวดขึ้นมาผิดหวังไหมคือร่างกายเราไม่สุขแล้วทุกก่มเจ็บทุ่มปวดเป็นทุกขเวทนาขึ้นมาและนี่คือผิดหวังต้องการให้ลูกดีๆอยู่ๆโอ้โลูกจิตยาบ้าใช่แล้วผิดหวังนะต้องการเดินดีๆเดินไปเผลอหกล้ลมลื่นหกล้มแล้วโอ้ผิดหวังนะทุกทุกทุกอย่างทุกทุกเรื่องเกิดขึ้นจากการคาดหวังและการผิดหวังทั้งนั้น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 สกายะทิฏฐิสกายะทิฏฐ well. ิสักกายะสำคัญมั่นหมายว่าเป็นกายเราว่าเป็นกายของของเราร่างกายมันไม่รู้เรื่องกัเราจะไปกะไปหมายว่าเป็นกายเราเมื่อกะหมายว่าเป็นกายเรากายเราก็อยากให้กายกระท่างกายของเรานี่อยู่เท่าเดิมไม่เปลี่ยนไปสุขสบายยังไงก็อยากสุขสบายอยู่อย่างงั้นไม่อยากให้พลิกไปไม่อยากให้เปลี่ยนไปไม่อยากให้แก่ไม่อยากให้เจ็บไม่อยากให้ตาย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 อัตภาพร่างกายก็แต่สลายไปไม่ว่าจะเป็นธาตรู้ก็ตามธาตุไม่รู้คือธาตุของร่างกายดินน้ําลมไฟก็ตามเป็นธาตุที่มีอยู่ดั้งเดิมในโลกเรามาดูธาตุไม่รู้ของเรามีอยู่ดั้งเดิมในโลกดินน้ําลมไฟมีอยู่ดั้งเดิมในโลกเราเอาของที่มีอยู่ดั้งเดิมในโลกมาเกิดเกิดในท้องแม่เราไม่ได้อาของใหม่ที่ไหนเราเอาของเก่าจากพ่อจากแม่มันเกิด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 ชาติว่เราไปไม่จบไม่สิ้นสุดอยู่อย่างนี้เปลี่ยนไปในกาลมาโลกในรูกประโลกอรูปประโลกรูปประโลกกับอรูปประโลกก็คือประเภทของประเภทของประเภทของเอกวการคืออาการหนึ่งประเภทของจตุโวการคืออาการสี่ นี่เราาียกคือรูปประโล ก, ากาอารูปประโลกส่วนรูปประโลกก็คือโล ก, ก, โลกมนุษย์ของเรานี่แหละที่เรามาเกิดอุบัติในโลกนุษย์ที่ต้อเรียกว่าอารูปประโลกก็คืออารมณ์ ป, ปสมบัติคืออารูณ ป, ประชานคาว่าอารมประชานก็คือเขาพิจารณาสีที่ไม่ใช่รูปเป็นอารมณ์เหมือนอย่างอุทกกดาบดท่านได้สมมาบัตเ7อ่าอาราระดาบดท่านได้สมมาบัตเ7อุทกกราบดท่านได้สมาบัตเต ก็คือภูมิความสงบของจิตระดับพิจารณาสิ่งที่ไม่ใช่รูปเป็นอารมณ์ละเอียดจิตใจละเอียดมากแต่ว่าไม่มีบุญวาสนาบารมีพอที่จะออกจากกรงข่ายตรงนั้นไปได้บุญบารมีไม่พอบุญบารมีไม่ถึงไม่รู้จะพิจารณาให้เห็นอันนี้จังทุกขังของนัตตาคือความละเอียดของจิตพิจารณาไปไม่ถึงบุญบารมีไม่พอ เล ย, ยึดอัตตาอัตตาตัวตัวนั่นแต่พระพุทธเจ้าท่านทรงพิจารณาไปเลยโอ้มันไม่ใช่อัตตาปล่อยชี้หมดเลยไม่ต้องมีผู้เสวยสุขเลยพอพระงองค์ทรงปล่อยหมดเท่านั้นแหละความสุขที่มากมายมหาศาลประมังสุ ข, ขังความสุขอย่างยิ่งเกิดขึ้นกับพระองค์แต่สำหรับบรรดาพรหมทั้งหลายนั้นดับที่วายชนไปลูนไปเกิดในพรหมโลก อายุมากมายมหาศาลแปดหมื่นสี่พันกับโอ้โอะไรจะจะได้มงเกิดในโลกมนุษย์อีกเพื่อจะสร้างบุญบารมีอีกอันนี้คือความเป็นไปของธาตุรู้ของเราความเป็นไปของธาตุไม่รู้ของเราธาตุรู้ของเราก็เป็นของที่มีดั้งเดิมอยู่ในโลกเราเอาธาตุรู้ที่มีดั้งเดิมอยู่ในโลกมาเกิดเราเอาธาตุไม่รู้ดินน้ำลมไฟที่มีอยู่ดั้งเดิมในโลกมาเกิด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 พระอนุรุทธะได้มองเห็นเพราะสมาบัตเหล่านั้นเป็นวิหารธรรมสมบัตเหล่านั้นหลงตาท่านเรียกว่านี่แหละสมมุติสมมุติอไม่ใช่วิมุติเป็นสมมุติมันเป็นผลที่จิตโยนนั้นฝึกฝนอบรมได้เวลาจิตประทับอยู่ในนั้นเพระอนุรุทธะมองเห็นทีนี้เวลาพระองค์เข้าไปวรรคที่สองตอนทําปรินิพพานกรรมเข้า รูปประชานที่หนึ่งที่สองที่สามที่สแล้วก็ออกออกจากรูปรรประชานรูปประชานพระจิตที่บริสุทธิ์พระองค์ไม่อยู่ไม่พลาดพิงอรูปประชานก็ไม่เข้าพระอนุรุทธะมองไม่เห็นพระจิติบริสุทธิ์ของพระพุทธเจ้าเนื่องจากไม่ได้พลาดพิงสมมตุติเราพิจารณาดูอย่างนี้แล้วเราทําความเข้าใจได้ว่าถ้ารู้ที่บริสุทธิ์ของพระพุทธเจ้า ตราบไดไม่มาพาดผิงสิ่งที่เป็นสมมติแม้แต่ผู้ได้ที่ปจักส์สมวัอยาพระอนุรุทธะก็ไม่สามารถจะมองเห็นผู้ดได้อย่างเดียวว่าพระพุทธเจ้าปรินิพานแล้วดับรอบแล้กกิเลสดับรอบมาแล้วสี่สภาพพระพันษาธาตุทั้งสี่ก็ดับรอบแล้วในขณะ น, นี้ตอนนี้ที่เรียกว่าปรินิพานดับรอบนี่ ท้งธาตุบริสุทธิ์มีอยู่ในโลกทั้งธาตุไม่บริสุทธิ์มีอยู่ในโลกธาตุเหล่านี้เป็นสิ่งที่มีอยู่ดั้งเดิมในโลกที่เราพูดมาถึงตรงนี้เราพูดปไปจากอะไรเราพูดถึงจากต้นชีวิตต้นหนึ่งคือวันนี้เป็นวันสําคัญท่าอาจารย์กิรวัตรนะเป็นพลังร่วมบุญของพวกเราพวกเรามาพบกันด้วยพลังบุญของท่านวันนี้ เนื่องจากต้นชีตของท่านเจริญเติบโ ต, ต, ตมาได้ถึง614ปี6 4พ0 0ปาสิ่งที่เราควรเทิดทูนบูชาความมันอุตสาหบอกสอนลูกศิษย์ลูกหาและก็มีกิยกิจพิเศษที่เราควรเอาเยี่ยงอย่างท่านเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่ท่านให้ที่อยู่ของพ่อ ให้ที่อยู่แม่ให้ที่อยู่พ่อให้ที่อยู่แม่ให้ที่อยู่เชื่อว่าให้ทุกสิ่งทุกอย่างขึ้นชื่อว่าบุตรนั้นมีสามประเภทประเภทอวิชาตตบุตรประเภทอนุชาตตบุตรประเภทอภิชาตตบุตรประเภทอภิชาตตบุตรประเภทอนุ อาวัชชา ต, ตบุตรนั้นคือบุตรที่เลวกว่าพ่อเลวกว่าแม่อนุชา ต, ตบุตรหมายความว่าบุตรที่เสมอพ่อเสมอแม่พวกเราทุกคนมีลูกมีเต้ามีบุตรมีหละมีบุตรด้วยกันทุกคนบุตรคนใดที่มันดื้อบอกไม่ฟังดื้อดึงหาเรื่องหาทุกข์หาโทษหาความทุกข์หาความยากลาบากให้กับพ่อข้าแม่อยู่ร่าไปสร้างปัญหาอยู่อย่างไม่จบไม่สิ้น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 ไปตามพ่อไปตามแม่เป็นลูกที่เสมอพ่อเสมอแม่พ่อแม่พาทําบุญพ่อแม่พาสร้างฐานะทั้งหลายทั้งปวงเขพาจัดพาทําพาสร้างไปตามพ่อไปตามแม่ได้หมดพ่อแม่ได้พึ่งได้พึ่งพาอาศัยได้อะไรแต่อะไรทุกอย่างแต่เป็นถ้าเป็นประเภทอภิชาติตบุตแล้วเป็นบุตรที่ยิ่งกว่าพ่อกว่าแม่ด้วยศีลด้วยธรรมพ่อแม่ไม่ค่อยมีศีลไมด้วยมธรรม แต่บุตรผู้นี้มีศิลมีธรรมมีสมาธิมีปัญญามีภูมิอบรมมีภูมินั้นมีภูมิบอกมีภูมิสอนจนสามารถพ่อแม่ไม่มีสินธรรมสอนให้พ่อแม่มีสินมีธรรมพ่อแม่ไม่เคยเจริญสมาธิพ่อแม่บอกพ่อบอกแม่ให้มีศิลมีสมาธิตั้งใจฝึกฝนอบรมให้เกิดความรู้ให้เกิดปัญญาเป็นประเภท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 แล้วเจ็ดวันก็ทีวงคนไปเกิดเป็นเท้าดุสิตนุ่นอยู่สวรรค์ชัน้นดุสิตพระพุทธเจ้าได้บรรลุธรรมแล้วพลงก็ไปโปรดสแสดงคติธรรมโปรดที่สวรรค์ชั้นดาวดึงจนเท้าดุสิตที่เป็นศริมหามายานั้ยนะได้เป็นพระโสดาบันนี่คือท่านโปรดได้ทั้งพ่อโปรดได้ทั้งแม่นอกจากนั้นพิมพาราหุนพระยาพระวงศ์พี่พี่น้องๆ ทั้งหลายทั้งปมงโปรโดได้อัดได้ทำได้มักได้ผลไปตามๆกันหนึ่งคือเป็นประเภทอภิชาติบุตรเราควรจะเป็นอภิชาติบุตรหรือควรจะเป็นอนุชาติบุตรอย่างน้อยๆ อ, อนุชาตบุตรต้องเป็นพื้นเอาไว้จากนั้นแล้วเราพยายามสร้างฐานะของเราให้เป็นอภิชาติบุตรผู้ที่เป็นอภิชาตบุตรนี่เอง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 ทุกอย่างลำบากไหมต้องทุกต้องทรมาน 7, 8, 9, 9, เจ็ดเดือนแปดเดือนเก้าเดือนอาหารนี่ก็ต้องระมัดระวังมากไม่ระวังเดี๋ยวก็ลูกในท้องแท้งออกมาอาหารร้อนก็ต้องระวางังอาหารเค็มอาตาราเผ็ดอาหารร้อนอาหารอะไรต้องระวางังอะไรที่เป็นของแสลงกับลูกในท้องต้องระวังมากๆเดินต้องทะนุถนอมกลัวหกกัวล้มกลัวนู้นกัวนี้กลัวกระเทือนถึงลูกในท้องทะนุถนอมตัง้งแต่อลูกในท้องยังไม่เห็นหรอกไม่เหมือนสมัยทุกวนัวกนแต่กอนะ สมัยทุกวันนี้เขาไปส่องเห็นได้หมดลูกผู้ชายและลูกผู้หญิงแต่สมัยแต่ก่อนไม่เห็นดอก่อจะคลอดออกมาถึงจะรู้จะเห็นใ่ไเป็นผู้ชายหรือเป็นผู้หญิงดีใจตั้งแต่รู้ว่าตั้งท้องอนนดีโอกดีใจสนุกสนางพ่อแบบสนุกสนองมัดระวังสนองทุกอย่างนี่ภาระเหล่านี้แหละคือบุญคือคุณ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 แต่พอเวลาวิญญาณมาสวมมาสวมเข้าโตมาเจ็ดปีแปดปีสิบปีสิบห้าปีขึ้นไปชักบอกไม่ค่อยได้แล้วทิฏฐิมนันชักเริ่มดีขึ้น อ, อัตตาตัวตนมันโผล่ขึ้นมาแล้วตัวเราตัวเราบางคนถึงกับฆ่าพ่อก็มีฆ่าแม่ก็มีเพราะอะไรเพราะอัตตามันเต็มแปรมันเต็มที่มันถูกหลอกไหมจิตใจมันถูกหลอกไหม มันมาสวมรองมาสวมร่างมาสวมรอยคือมาสวมอัตภาพร่างกายนี้แต่ในขณะดเดียวทำก็ะยึดว่าเป็นเราก็เป็นของของเราและพยายามกะเกณฑ์ให้เป็นไปตามใจหวังของตัวเองเรามาพิจารณาดูอย่างนี้เราก็ได้นัำความสลดใจได้ครับรับความสังเวชใจจากความที่น่าอดสูด้ดวยอวิชชาตันหาวปาทำมาครอบหัวใจของเราเราพิจารณาอย่างนี้แล้วเรามีน้ออกไหม ตั้งอกของเราคือตั้งใจรักษาศีลตั้งใจเจริญสมาธิตั้งใจพิจารณาทางด้านปัญญาและ ส, สร้างสมบุญกุศลทั้งหลายทั้งปวงจะเป็นขั้นบุญจะกิริยาจะเป็นธรรมะกิริยาจำเป็นจะเป็นธรรมะภาคปฏิบัติสรุปลงแล้วตะล่อมรวมหลอมรวมร ม, ร ม, มาที่พาชนะคืนใจของเราเดียว การตั้ง อ, อกตั้งใจสุกฝนโอโร่ต่างหลักของศีลของธรรมทั้งนี้จะล่อมห ล, อ ม, ลอมรวมมาที่จิตของเราลรงเดียวให้เป็นผู้มีบุญเต็มแปรในหัวใจของเราคือกายกรรมดีวิจีกรรมดีและมะโนกรรมดีคือกลายเป็นคนดีละชั่วทำดีแล้วก็สามารถทำจิตให้บริสุทธิ์ด้วยแล้วเราประสบความสุขถึงขั้นประมังสุขขัง นี่คือความเป็นไปที่พอเล่าสู่การฟังพวกเราทั้งหลายได้ยินได้ฟังแล้วเอาไปไขกลัวเอาไปไตรตรองดูดูกองสังขารของเราเพราะเรามองพิจารณาถึงตรงนี้ปั๊บเราได้ข้อปฏิบัติทันทีเอาไปพิจารณาให้เราได้ข้อปฏิบัติทันทีถ้าเราจับอย่างอื่นจับนู้นก็หลุดจับนี้ก็หลุดจับอะไรก็หลุดเราดูมาตรนี้เราเห็น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 คำว่ า, าปล่อยคำว่ า, าปล่อยในชนิดหมายความว่าเราเข้าไปรู้เข้าไปเห็นด้วยปัญญาของเราเข้าไปเห็นแจม่มแจ้งชัดเจนเหมือนอย่างพระโสดาบันท่านเข้าไปรู้เข้าไปเห็นท่านไปเชื่อความรู้ความเห็นของท่านจนกลายเป็นอร จ, จนะศรัทธาแต่หมายความว่าต้องขับเชี่ยวเต็มที่จนกลายเป็นปัญญาจนกลายเป็นปัญญายาเดี๋ยวนี้ขั้นพื้นๆขั้นปัญญาที่พวกเราทานั้น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 มีความสาคัญว่าโอ้ใช่ไม่ใช่เราไม่ใช่ของของเรานี่คือความรู้ความเห็นความเข้าใจข้างในที่เราเข้าไปรู้เข้าไปเห็นจะทำให้เรามั่นใจตัวเองชเชื่อมั่นในพริเจ้าในพระธรรมในพระสงฆ์เต็มร้อยอตั้งอกตั้งใจภาวนาะมีก็จิตกะใจให้ทานก็ให้จนหมดเนื้อหมดตัวไม่มีหวง เหมือนอย่างที่ว่าท่านว่าพระโสดาบันเนี่ยให้ทานจนหมดตัวเพราะฉะนั้นสมัยพุทธกาลเนี่ยใครเป็นพระโสดาบันเนี่ยคาวะเป็นพระโสดาบันให้ทานจ น, น, น, น, น, น, นหมดตัวจริงๆจนพระพุทธเจ้าท่านป้องกันให้ท่านให้พระสงฆ์ไปสวดเป็นเสขารุคคนคนใดก็ตามที่พุทธเจ้าให้สงฆ์ไปสวดเป็นเสขารุคคลแล้วถ้าไม่ไม่ไหนนี่หมดพระสงฆ์ให้ไปบินธบะ ท, ที่บ้านพระสงฆ์ไปบินธบะปรับอาบัต น, น่า เพื่เหตุที่เขามีความเรื่อมสสถานนี่หมดให้ไปรับบาตเขามีเท่าไรก็จะทํามาหมดเพราะฉะนั้นพะพุทธเจ้าทรงกําชักไว้อีกว่าถ้าเธอไปรับข้าวกับแกงหรืออาหารหรือขนมนมเหน่อยก็ตามมากน้อยเท่าไหรก็ตามเขาถวายมามากน้อยเท่าไรก็ตามรับมาได้แต่ต้องไปแบ่งแจกมูแจกเื่อนเอาไปรับเอาไปบริโภคคนเดียวปรับอาบัต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 มีพวกเราได้ยินได้ฟังรู้สึกว่าประลบธรรมมาโอ้ตีหนะึ่งพอดีได้เวลาที่กักเกณฑ์ไว้พอดีโอมัน<อ>จะพูดน้อยๆทาไมพูดยาวแล้วเกินนั้นจบแล้วเกินยาวนั้นแล้วเกินนั้นจบเแล้วเกินว่าจะพูดโทพุทธโทพุทธโทตามไม่ได้พูดโทรล้วนั้นแล้วเกินนั้นจบแล้วเกิ น, น, น, น, นจบแล้วเกิน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 มาถึงนี้ไม่ได้มาถึงตรงนี้ไม่ได้ไอ้คําว่าถึงนี้มาได้ถึงถึงถึงตรงนี้มาได้หมายของรวมไปถึงข้อประพฤติด้วยข้อปฏิบัติ ด, ด้วยระดับจิตใจของเราด้วยเพราะฉะนั้นด้วยระยะเวลาเพียงเท่านี้พอสมควรแก่เวลา mm hmm. ผลอันิสงส์ใดๆที่พวกเราทั้งหลาย mm hmm. มาบําเพ็ญเพื่อบูชาคุณของครูบาอาจารย์รวมทั้ง ผู้บาอาจารย์พระเจ้าพระสงฆ์ด้วยวัตถุทายาทานด้วยเรี่ยวด้วยแรงด้วยสติด้วยปัญญาที่เราร่วมด้วยช่วยกันทุกอย่างทุกเรื่องจนบรรลุประสบผลจากวันนี้พรุ่งนี้ถึงแก่ลูกล่ว ง, งไปด้วยดีสิ่งทั้งหลายทั้งปวงเหล่านี้ย่อมมีผลมีอานิสง์ขอผลอานิสง์ทั้งหลายทั้งปวงเหล่านี้จงตามอํานวยอวยชัย ให้พวกเราทั้งหลายประสบความสุขความเจริญและขอความบากบันอุตสาหพยายามบำเพ็ญจนได้อัดได้ทําได้คุณได้กุศลเต็มแพร่ทั้งหลายทั้งปวงเหล่านี้อุทิศบูชาให้ครูบาอาจารย์เรามีความสุขมีความเจริญมีความสุขกายสบายใจทนทุกข์ทนโทษทนเบื่นภัยในวัดตะสงสารโดยทั่วทั่ว หน้ากันทุกท่านอเอชจิตังปฏิตังตรงหังประเมวสัมมิฉะตุสปเปภูเรมถูกสงกปาจันโทปนะระโสยข า, ามนิโชทีระโสยข า, าสัพพิโยวิวัชันตุส